กองลมที่สามหายใจออกรู้ว่าสั้นลมหรือยาวขึ้นหายใจเข้ารู้ว่าสั้นลมหรือยาวขึ้นแค่เปรียบเทียบโดยไม่ต้องกําหนดรักษาให้ยาวเหมือนเดิมไม่ได้จงใจให้สั้นกว่าเดิมเพียงรู้ตามจริงเท่านั้นว่าร่างกายเรียกร้องลมหายใจสั้นลงหรือว่ายาวขึ้นกว่าครั้งก่อนกองลมที่สี่หายใจออกก็รู้ว่ากําลัง เป็นผู้ดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังเป็นผู้ดูลมหายใจระลึกเข้ามาในจิตว่าเป็นเพียงผู้รู้เฝ้าสังเกตการเฉยเฉยไม่ใช่เป็นผู้บังคับลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นให้ดีหรือไม่ดีอย่างใดขณะของความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นหลังจากเฝ้าดูอาการออกหรือเข้าสั้น หรือยาวนั่นเองที่จิตเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ดูแบบอ่อนๆจะเห็นอาการเลิกคิดควบคุมกับทั้งไม่เมื่อหายไปทั้งอื่นเหลือแต่อาการรู้อาการดูอยู่เปล่าๆตรงนี้ก็จะเป็นฐานสำคัญของวิปัสสนาคือมีทั้งการตั้งหลักแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้มีทั้งการเห็นตามจริงว่าลมหายใจไม่เที่ยน ออกแล้วก็ต้องเข้าเป็นธรรมดายาวแล้วก็ต้องสั้นเป็นธรรมดากุศโลบายรวมวิปัสนาไว้กับสมาธแบบนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนกองลมที่ห้าหายใจออกกำหนดว่าจะไม่ขยับตัวหายใจเข้ากำหนดว่าจะไม่ขยับตัวลึกว่าเราจะคิดไม่ขยับไม่คิดกระดุกกระดิกปล่อยให้กายนิ่งสบาย แล้วก็มีส่วนเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างเดียวเป็นธรรมชาติเท่านั้นหากส่วนใดของร่างกายเกรง็งจังหวะนี้คือโอกาสที่จะสํารวจและปล่อยให้ผ่อนคลายเสียเมื่อจิตผู้รู้ลมหายใจผนวกกับฐานที่ตั้งอันมั่นคงก็จะเกิดความนิ่งที่ได้ดุลพอดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัด กองลมหกหายใจออกรู้ว่าอิ่มใจหายใจเข้ารู้ว่าอิ่มใจเมื่อกายนิ่งขณะที่จิตทําตัวเป็นผู้รู้ดูอยู่เฉยๆย่อมเกิดความเบากายสบายใจขึ้นมาเหมือนอยากยิ้มอ่อนๆโดยไม่ต้องฝืนก็จับความเบาสบายนั้นเป็นหลักแล้วเลี้ยงไว้ด้วยอาการรู้ ลมออกทีนึงเลี้ยงไว้ได้อาการรู้ลมเข้าทีหนึง่งกองลมที่เจ็ดหายใจออกก็รู้ว่าสุขสงบหายใจเข้าก็รู้ว่าสุขสงบเมื่อเห็นความสุขสงบกายใจนั่นแหละเป็นวาระที่เห็นความสุขผู้ภาวนาส่วนใหญ่เมื่อสงบสุขลงเล็กน้อยมักหลงเพลิดเพลินไปกับอาการของจิตแบบเคลิม เราก็จะได้ชื่อว่าเสพสุขในสมาธิอย่างมีสติมีความรู้ตัวนั้นก็เมื่อสุขพร้อมไปกับอาการรู้ว่ากาลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหรืออีกในคือเลี้ยงความสุขไว้ด้วยอาการรู้ลมออกทีหนึง่งเลี้ยงความสุขไว้ด้วยอาการรู้ลมเข้าทีหนึง่งจะสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยว่าสุขอย่างมีสติหล่อเลี้ยงนั้นดีกว่าสุขอย่างหลงเคลเค่อม หายไปเพียงใดกองลมที่แปดหายใจออกก็รู้ว่าคิดหายใจเข้าก็รู้ว่าคิดธรรมดาคนเริ่มฝึกสมาธิจิตยังไม่ผ่องแผ้วตั้งมั่นย่อมมีความคิดกระจัดกระจายอยู่หรือว่ามีความรู้สึกตรึกนึกกระเซ็นกระสายอย่างละเอียดอยู่ก็ให้รู้ตามจริงนั้นเหมือนปล่อยให้คิดไปตามปกติ พร้มกับรู้ไปด้วยว่ากําลังหายใจออกหรือว่าหายใจเข้ากองลมที่9หายใจออกกําหนดว่าจะระงับความคิดหายใจเข้ากําหนดว่าจะระงับความคิดตรงนี้ควรจะมีปัจจัยหนุนอยู่พร้อมคืออาการรู้ความสงบสุขฉะนั้นน่าจะสัมผัส ถ, ถึงอาการพร้อมจะหยุดนิ่ง และเป็นความนิ่งที่เป็นสติรู้ตัวแบบสุขสบายหากทําได้แล้วครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นฟุ้งอีกก็ให้สลับกันระหว่างข้อนี้กับข้อก่อนไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องท้อว่าเมื่อไรจะเลิกคิดเสียทีขอให้เห็นเป็นแบบฝึกหัดที่ทําแล้วย่อมเห็นผลก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆกองล ม, มที่สิบหายใจออกกาหนดว่าจะทาจิตให้ร่าเริง หายใจเข้ากำหนดว่าจะทําจิตให้ร่าเริงขอให้แน่ใจว่ารู้จักความนิ่งอย่างมีน้ําหนักทรงตัวอยู่ได้แล้วสักนิดความร่าเริงของจิตก็จะมีลักษณะเบิกบานคล้ายยิ้มกว้างออกมาจากภายในหรือเหมือนมีแรงฉีดของความปรีดาแผ่ซ่านออกกว้างขวางเมื่อไม่อาจระบายยิ้มที่ริมฝีปากเป็นเครื่องต้นแรงช่วยนิดหนึ่งก็ได้ แต่ต้องจ่ออยู่ที่กับสภาพจิตยิ้มสดชื่นภายในแล้วเลี้ยงไว้้วยลมหายใจหนึ่งชุดหรืออาจจะติดใจเพลินหลายหลายชุดเป็นการเก็บกำลังก่อนก็ได้กองลมที่ส1อ็ดหาย ใ, ใจออกกำหนดว่าเราจะรักษาสภาพจิตให้ตั้งมัน่นหาย ใ, ใจเข้ากำหนดว่าเราจะรักษาสภาพจิตตั้งมัน่น ความจริงว่าถึงระดับของจิตที่ร่าเริงแล้วย่อมมีความนิ่งคงที่ระดับหนึ่งจุดนี้เราเพียงกำหนดรู้ลักษณะหยุดนิ่งตั้งมัน่นไม่เลื่อนไหลกวัดแกวงของจิตหายใจออกรู้ความนิ่งหายใจเข้ารู้ความนิ่งและทราบชัดว่าเป็นอาการตั้งมั่นอยู่ในอาการเบิกบานไม่ใช่ว่าตั้งมั่นในความบิดรัดทับแคบ แรกๆที่ฝึกอาจจะ ก, กำหนดไม่ได้พอดิบพอดีนะักเช่นการกำหนดระงับความคิดนั้นอาจทำเป็นต้องใช้หลายกองลมหน่อยหรือสลับไปสลับมากับการกำหนดรู้ปิติสุขกำหนดรู้คิดตามปกติก่อนกระทั่งเมื่อเริ่มชำนาญทางแล้วจึงเข้าสมาธิได้เร็วเพียงหายใจออกและเข้าส1อ็ครั้ง ก็จะแน่นิ่งตั้งมั่นเบิกบานอันนี้ก็เห็นประโยชน์ของการฝึกเข้าสมาธิอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีการกํากับขั้นตอนอย่างน้อยก็ดีกว่านั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆซึ่งมีช่องว่างให้ฟุ้งมากกว่าเกิดสตินิ่งรู้สาหรับอนาปานสติเพื่อกระทาให้จิตสงบแบบงานสมถะ จะมาหยุดอยู่ที่ความตั้งมั่นในความร่าเริงเบิกบานหรือจิตสงบนิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็จะฉลาดรู้ทางว่าจะละองค์ประกอบส่วนเกินของความตั้งมั่นได้อย่างไรส่วนการใช้อนาปานสติในงานที่เป็นงานวิปัสสนาจะกล่าวถึงตอนต้นเป็นบทต่อไปย้ำว่าอุปเทวิธีไล่ตามลำดับอนาปานสติไม่ใช่หลักตายตัว ขอให้ทดลองดูว่าได้ผลเร็วและง่ายดายสำหรับใครก็ขอให้ยึดไว้เป็นแนวทางและจะไม่ร้อนใจให้ถือเอาหนึ่งกองลมเป็นเกณฑ์ดูหนึ่งอาการจริงๆไม่กระโดดข้ามขั้นและไม่เอาหลายอารักการมาดูพร้อมกันในหนึ่งกองลมสำคัญคือเมื่อประสบความสําเร็จสามารถตั้งจิตเป็นสมาธิได้ด้วยเส้นทางแบบใด ก็ให้จำทางนั้นไว้ดีๆและสร้างเหตุปัจจัยซ้ำรอยเดิมทุกครั้งอย่าจดจำสภาพจิตอันเป็นผลลัพธ์และอย่าไปเร่งให้เกิดผลเร็วทันใจเพราะการด่วนอยากได้ผลข้ามขั้นนั้นมักลงเอยที่ความล้มเหลวอันทำให้ท้อแท้และก็ไม่อยากต่อยอดให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่อาจทำจนตัวขออภัยค่ะ อาจทำจนอยู่ตัวแล้วก็จะรู้เองว่าจิตพร้อมที่จะข้ามขั้นไปอยู่ตรงไหนเช่นเมื่อจิตมีสภาพพร้อมรู้ของแพ่วร่าเริงเป็นปกติก็อาจกําหนดกองลมแรกเป็นจิตร่าเริงแต่ว่าถ้าหากสภาพจิตต่ำกว่านั้นก็สมควรนับเริ่มแต่ก้าวแรกจะประกันผลได้ดีที่สุด ฉลาดในการขจัดความฟุ้งด้วยอุบายสารพัดแบบเท่าไหนการเข้าสมาธิแบบทำจิตรวมดวงตั้งมั่นก็ต้องอาศัยกระแสจิตที่ไหลไปในทางเดียวอย่างต่อเนื่องด้วยลักษณะจอดจับอารมณ์องค์ฌานแรกคือวิตกแล้วเกิดสภาพดึงดูดอารมณ์องค์ฌานที่สองคือวิจารณ์เช่นเริ่มจากการกำหนดว่าจะเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติ ระบายลมออกก็รู้ลากลมเข้าก็รู้จิตไปไหนกระทั่งเกิดกระแสดึงดูดระบายลมออกก็แนบติดลากลมเข้าก็แนบติดซึ่งที่ทําเช่นนั้นให้ต่อเนื่องได้ไม่ใช่เพระะาะอาศัยความฉลาดคิดกลวิธีและเป็นฉลาดจ่อนิ่งกับการหายใจอย่างไรให้ได้ต่อเนื่องนานหน่อย กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของความฉลาดเข้าสมาธิที่แท้จริงต้องมีทั้งความพึงใจความเพียรใส่ใจและก็คอยสังเกตด้วยว่าหลุดจากอารมณ์สมาธิหรือยังประเภทที่ทอปุ๊บลืมตาทิ้งคว้างสมาธิปั๊บนั้นก็จัดว่าขาดความฉลาดในการเข้าสมาธิเบื้องต้นพระขาดคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ความคิดประเมินอาการของจิตเป็นขณะขณะจึงนับว่าจำเป็นแล้วก็มามีส่วนช่วยได้ทันการอีกประการหนึ่งคือต้องสังเกตด้วยว่าองค์ฌานคือวิตกนั้นมากเกินพอดีหรือเปล่านักภาวนาเมือ่อมือใหม่มักฝืนจี้ความจงใจรู้อารมณ์ให้ต่อเนื่องหรืออยู่ในอาการเร่งรีบบีบคันให้เกิดความสงบ ซึ่งนับว่าไม่ฉลาดเพราะใส่เหตุปัจจัยที่ขัดแย้งกับความสงบโดยตรงผลคือกลายเป็นความหนักความเครียดไปได้ทางแก้กคือควรสังเกตให้ออกอ่านให้ขาดว่าการปล่อยใจคลุกเคล้ากับอารมณ์อย่างสบายนั้นเป็นอย่างไรทาอย่างไรจึงจะลดกระแสหนักๆในหัวทางที่ดีที่สุดก็คือมองไกลก่อนหลับตา ให้เหลือแต่รู้เหมือนมองฟ้ามองทะเลอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำองฌานคือวิจารณ์ให้มากขึ้นได้ส่วนพอดีกับวิตกหรือว่าสามารถเข้าสมาธิด้วยอัตราส่วนพอดีแล้วก็นับว่าเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิได้คนหนึ่งความฉลาดในการเข้าสมาธิขั้นสูงที่แท้หมายถึงผู้ที่มีกำลังสมาธิอยู่ตัว พอสมควรกับทั้งมีความสะอาดผ่องใสเบิกบานพร้อมอยู่เพียงกำหนดอารมณ์สมาธิพร้อมจ่ออยู่กับสภาพเบิกบานของจิตก็จะเหมือนรอยยิ้มเล็กน้อยที่ขยายขอบเขตยังไม่มีประมาณเกิดน้ำหนักดึงดูดควบแน่นเป็นปึกแผ่นเด่นดวงได้ดังนั้นอย่าเข้าใจว่าความฉลาดหาทางแบบแก้ลมการ คณิตศาสตร์หรือใช้เหตุผลหาคำอธิบายดีๆเพราะเป็นคนละเรื่องกันเรากำลังพูดถึงความฉลาดทางจิตที่ปักลงกับอารมณ์ได้จับพลันทันใจด้วยเป็นไปอย่างถูกต้องด้วยไม่ใช่ใจร้อนเอาเดี๋ยวนี้แบบบีบบังคับเข้นคอกันนอกจากการไม่ฉลาดทางสมาธิแล้วยังทาให้ฉลาดน้อยทางวิปัสสนาอีกด้วย เนื่องจากว่าเร่งรัดให้ได้อย่างดังใจทั้งยังขาดเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนั้นสะท้อนว่าเราหลงยึดติดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราอย่างแรงข้อสฉลาดในการถอนจิตออกจากความเป็นสมาธิบางทีเราไม่ค่อยจะมองเห็นความสำคัญของการถอนออกจากสมาธิ เราเห็นว่าจะออกห่างจะออกท่าไหนก็เป็นอันจบกระบวนสมาธิเ ห, เหมือนกันแต่ความจริงการออกจากสมาธิอย่างถูกต้องจะช่วยให้จิตมีความสม่ำเสมอกระชับมั่นมีความชัดเจนว่าสมาธิเป็นภาวะหนึ่งอย่างนี้ออกมาแล้วคืออีกสภาวะหนึ่งต่างหากจากกันการไม่พยายามปรับปรุง ความฉลาดในอาการออกจากสมาธินั้นจะเป็นผลเสียหลายประการที่เห็นเด่นก็เช่นทำให้เกิดความเกียคร้านไม่อยากทำอะไรพอจิตรวมลงเป็นสุขได้ก็ติดใจจมจ ม, จมอยู่กับสุขเช่นนั้นเมื่อถอนออกมาก็เร่งเวลาอยากจะหาจังหวะกลับไปให้เสษอีกโดยมากผู้เริ่ม รวมจิตได้ใหม่ๆจึงไม่คิดกำหนดเวลาว่าจะเข้าสมาธินานเท่านั้นเท่านี้ขอแต่หนวงความสุขความรวมดวงไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็พอต่อเมื่อชินแล้วช่ำชองแล้วจึงค่อยมีความสามารถในการออกจากสมาธิดังปรารถนาซึ่งเป็นสิ่งควรทำและทําให้ได้ตามกําหนดที่ตั้งไว้ถ้าทาให้สาเร็จก็เรียกว่ายังไม่เป็นผู้ฉลาด ในการออกจากสมาธิสำหรับผู้เริ่มฝึกนั้นควรกำหนดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความแน่นอนว่า จะออกจากสมาธิเมื่อใดเช่นถ้าใครฝึกเข้าสมาธิตามอุบายอนาปานสติตามหัวข้อก่อนก็อาจสังเกตดูตามจริงว่าเราสามารถเลี้ยงสติได้ดีเมื่อมาถึงขั้นใดเช่นบางคนสามารถกําหนดให้จิตสงบสุขได้อย่างต่ำห้ากองลมก็อาจตั้งใจว่าภายในห้ากองลมข้างหน้าต่อไปนี้เราจะเลี้ยงสุขไวให้ได้สม่าเสมอพร้อมรู้ว่า หายใจออกกับหายใจเข้านับเป็นหนึ่งกชุดกับเป็นสองสามสี่และห้าพอกำหนดได้ครบห้าตามที่วางเป้าก็ให้พักยกทันทีโดยการลืมตาขึ้นสักครึ่งนาทีจำขนาดของการมีสติถอนจากสมาธิตามกำหนดไว้ลองเข้าสมาธิอีกครั้งด้วยความตั้งใจจะเลี้ยงสุก ให้ทวีนานขึ้นเป็นจำนวนกองลมหกเจ็ดแปดแล้วลืมตาถอนจากสมาธิด้วยสติอันเดียวกัน จังหวะลืมตาที่ดีที่สุดในการถอนสมาธิคือขณะของการระบายลมออกอย่างผ่อนคลายสบายใจแต่ละรอบที่เข้าสมาธิใหม่ขอให้สังเกตด้วยว่าเรารักษาอาการที่ตั้งใจไว้อย่างสม่ำเสมอและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆหรือไม่กับทั้งมีส่วนของสติจากการถอนสมาธิอย่างรู้ตัวมาเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ หากทุกอย่างเป็นไปในทางบวกก็แปลว่ามาถูกทางแล้วนอกจากฝึกด้วยวิธีนับแล้วอีกทางหนึ่งอาจจะใช้เวลามาช่วยตรงๆหากใครฝึกอย่างมีสติคือตั้งใจว่าจะลุกเมื่อรู้สึกตัวตื่นดังที่พระพุทธองค์ประทานแนวไว้กับพระโมคคัลลานะก็นับว่าเป็นการปลูกฝังนิสัยใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เราคือเมื่อถอนจากสมาธิ จะตั้งใจรู้ตัวรู้กายโดยความเป็นเครื่องอาศัยระลึกทันทีไม่นิ่งดูดายทอดทุระหรือว่าแช่อารมณ์อยู่กับสุขในสมาธิอย่างเฉยเมยวิธีนี้อาจจะใช้นาฬิกาเข้ามาช่วยกล่าวคือเมื่อรู้ว่าสมาธิหมดจิตเป็นสมาธิที่ดีพอสมควรแล้วให้นำนาฬิกามาวางไว้ตรงหน้า ดูเข็มหรือเลขนาฬิกาแล้วกําหนดไว้ในใจว่าเราจะเริ่มเข้าสมาธิเวลานี้แล้วออกจากสมาธิทันทีเมื่อเข็มหรือว่าเลขนาฬิกาชี้เวลานั้นเบื้องต้นอาจจะเป็นสัก5หรือสินาทีแรกๆ แ, แม้ว่าคาดเคลื่อนบ้างแต่เมื่อฝึกหลายครั้งเข้าก็จะพบกับความประหลาดใจว่าเราลืมตาใกล้เคียงหรือแม่นตามที่กําหนดชนิด เป๊ะๆทีเดียวแม้ว่าจะไม่อาศัยการนับลมหายใจเข้าช่วยเลยก็ตามการปึกออกจากสมาธิไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นกลางหรือขั้นสูงระดับฌานก็ตามสามารถใช้ความรู้ในจิตตานนปัสสนามาช่วยได้นั่นคือให้รู้ขณะแห่งปลายสมาธิว่าจิตมีความเป็นอย่างนี้ แล้วรู้ขณะที่การถอนสมาธิว่าจิตมีความเป็นอย่างนี้แตกต่างจากเมื่อขณะแห่งปลายสมาธิอย่างไรขอแค่เพียงรู้เฉยๆฝึกมีสติเท่าทันรอยต่อระหว่างอยู่ในสมาธิกับออกจากสมาธิแล้วก็จะเกิดสัมปชัญญะเห็นความต่างเห็นว่าศักด์แต่เป็นภาวะไม่น่ายึดมั่นถือมั่นทําให้ไม่หลงแช่และตื่นพร้อม จะนำมาใช้ประโยชน์ในทางวิปัสสนาต่อไปในที่สุดข้อ4ฉลาดในการยับยั้งอยู่ในสมาธิแรกๆนะสมาธิทุกคนจะรู้สึกว่าจิตเหมือนเรือโครงเกล ง, ลงกลางทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นลมการที่จะให้เรือหรือแล่นเรียบไปบนแผ่นน้ำนิ่งนั้นเหมือนเป็นไปไม่ได้เอาเลยเสียเลย